เผื่อว่าผมจะได้ข้อมูลที่เป็นเงื่อนงมอะไรบ้างพอจะเป็นทางคลมไปหาสื่อทางวัตถุ ข, ของเรื่องนี้ได้ขอโทษเถอะนะถ้ามันจะทำให้คุณต้องราคาญใจแต่มันก็จาเป็นจริงๆอะ่ะคารได้เริ่มต้นเล่าเรื่องเดิมของเขาและเกรซเชนให้ฟังมาอีกครั้งหนึ่งโดยได้เอ่ยถึงเหตุการณ์แปลกย่อยอีกหลายประการซึ่งเขาไม่ได้เล่าไว้ในครั้งก่อนน้าเสียงในการเล่าครั้งนี้ของเขา